ปากหวานคำจำนั้นจ้าที่พันระนาคำว่ารักเท่าฟ้าเท่าดินเธอเอยมานั้นเป็นอาจินต่อให้องค์อินยังจ้องลงจ้องมองเล้อตามราพันบนเพียงฉันรำพันเลื้อจำฉันได้ยิงรักดังปานตื้อกินฉันปากหวาน i s e e